ต่อไปนี้จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ในช่วงหนึ่งที่ชาวคณะสิทธิ์ของทานาารย์พรรัตนาสุวรรณและญาติมิตรนำโดยอาจารย์ศรีเพนจัตุทศีได้เดินทางนั่งกระเช้าขึ้นไปสวดมนต์บนเขาตันเสียสารและได้ไปกราบนมัส ก, การท่านเว่ยหลางพระสังฆปริณายกองที่หก ของพุทธนิกายชานที่หลังจากมรณภาพไปหนึ่งพันกว่าปีสรีระที่เสื่อมสลายไปของท่านก็ได้กลายเป็นหินคงสภาพอยู่ให้คนมากราบไหว้ได้ตราบเท่าทุกวันนี้นวัดหนานหัวเมืองเสากวนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลกวางตุง้งเมื่อวันที่23ถึง26กกันยายน สอง6ห้าร้อยหกสิบหกจำนวนผู้ร่วมเดินทางรวมสิบแปดท่านด้วยกันหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการฟังในครั้งนี้ไม่มากก็น้อยขอเชิญติดตามฟังได้เลยครับให้คณะเราได้มีโอกาสได้มาสัมผัสสิงที่ดีที่งามนะจะและ้วก็พวกเราก็โชคดีที่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 สวัสดีค่ทุกคนสวัสดีค่ะต้องขอบคุณนะขอบพวกเราทุกคนที่ได้มีโอกาสให้มาเขสู่บรรยากาศประวัติของทุานด้วยละด้วยละที่ได้กรุณาพวกเราให้ได้มาทำรัวดีที่ดีที่งามตลอดและไดเป็นทางที่มา ก็นั้นแะออกจากสามบินมาจากการยอดเบือ่ไ้จากสุบรรณภูมะก็บรรดามวลเราเจะาพีเจ้าทังหลายโอ้รู้สึกว่าท่านดีใจมากที่ว่าานะของเราที่จะได้มาเยี่ยมสนามบินของที่นี่นั่นก็เลบอกว่าจะกลับมาเพิ่มพลังให้กับ สิ่งที่ดีที่งามที่ท่านมีอยู่นะนะให้เพิ่มโหดอินขึ้นแล้วเพื่อท่านเ็นได้ให้ทอนให้เสงให้ทอนสาหรับเป็นความสําเร็จทุกทุกคนที่ได้มาไม่ใช่แต่คณะเราที่ได้มามาว่ายมาแล้วมืถึงเนี่ยจะได้จะได้ของแสตดที่ดีที่งามเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีอ่ะที่ที่พวกเราเนี่ยคือวินบอกว่า ท่นไม่ค่อยได้เจอไม่พ่อยออได้พบในเอกบรรดาพวกที่มามาเที่ยวมากราบมาไหว่เนี่ยที่มีจิตเป็นกุศลที่มีจิตเป็นเป็นเป็นมาเพิ่มพลังให้กับเป็นเป็นพลังของสวรรค์จากที่นี่ไปเวลาใครมากราบมาไหว้ก็จะได้กลับไปใน้พบเจอิที่ดีที่งามตลอดเวลาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเออก็ ท่านก็ขอบคุณมากขอบใจมากขอบไม่รู้ว่าจะขอบใจยังไงที่ว่าได้มาเพิ่มพลังให้กับท่าแล้วก็เทวดามีใครมาบ้างคะพี่คะอุ้ยเทวดามาเพี่แล้วไม่ไม่รู้ว่าทั้งจากกุมารนมัสยีใจดีใจ่ะอาจารย์พรมาอ่าก็โดยเฉพาะอย่างที่ที่เราขึ้นไปเมื่อวานเนี้ยที่มาที่ที่ขึ้นกับเช้าไปใช่ไหมจคะใช่ใช่อันนั้นเป็นภูมิสวรรค์เลยใช่ไหมคะพี่เป็นภูมิสวรรค์ภูมิ วงทิ่งมาให้ความแสงสว่างให้ความกำลังหลังจากทุกคนที่มากราบบมาไหว้อ่อัะเป็นพลังสีลุงเลยรใช่ไหมคะพี่คะเป็นสีลุงหลายๆสีแล้วก็รวมมวลตัวเป็นแบบธรรมจักรเป็นรูปธรรมจักรใช่ไหมคะค่ะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุษพวกเรามาทั้งหมดไหมคะพี่คะคงจะมาหมดแล้วก็แต่ก็พี่ก็ไม่รู้จักกันนะแล้วท่านก็โดยเฉพาะญาตพี่น้องแล้วก็บรรดา พวกที่ที่ทป็นญาพี่น้องพวกเราเอะไมีโอกาสคือเราเป็นสื่อให้ท่านได้มาถึงที่นี่อีกอะไรเงี้ยไม่ไม่่มงนั้นถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าไม่มีเราเป็นสื่อท่านก็บางทีอาจจะไม่ได้มาพบบรรยากาศแบบนี้เลยค่ ะ, ะทุกคนท่านก็วไว้ในะ้ทุกคนให้ทุกความสุขภาพแข็งแรงเดินทางชีวิตกล้าก้าวไปข้างหน้าโดยที่ว่าไม่มีเอก คือจะยเฉพาะเรื่องสุขภาพอย่างร่างกายแข็งแรงไม่ม ah. oh. ีเ okay. จ็บปีกใช่แล้วก็ไอสิ่งที่ไอมันจะปลอดโปร่งไปแค่เราตลอดอ่ะไม่มากอวัยวะส่วนไหนอะไรเงี้ยโอ้ค่ดีมากค่ะค่ะแล้วก็อยากจะขอความรู้จากท่านเวลานิดนึงค่ะว่าประวัติที่ท่านเขากล่าวถึงท่านอย่างเงี้ยขอให้ท่านให้แสงสว่างให้เราได้ได้รับความจริงเหมือนที่พ่อแม่เคยบอกเราอะค่ะ ว่าที่เขาเออที่ว่าร่างก่านไม่เน่าไม่เปื่อยอะไรที่นั่งอยู่เนี่ยใช่ไหมคะเนี่ยคือร่างกายมันก็มันก็เป ưới, ื่อยก็เน่าไปตามสภาพของธรรมชาติของเหมือนอย่างหมือเหมือนอย่างคนถ้าเป็นคนมันก็ต้องเน่าต้องเปื่อยอะนะ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เน่าที่เปื่อยนั้นมันมันกลายเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งสิ์สิทิ์เป็นสิ่งที่ทําให้คนได้เห็นอีกอะ่ะ ก, ก็ก็อยู่ในใ น, ในวัดที่เราไปเนี่ยใช่ไหมคะอ๋ออคือร่างท่านก็อยู่ที่วัดที่เราไปเนี่ยใช่ไหมคะแต่แต่ว่าเพียงแต่เน่าเปื่อยแห้งไปตามกาลใช่ไหมคะตามกาลเวลามันก็มันก็แห้งก็เปอยแต่ว่ามันมันก็อยู่ในสภาพที่เป็นเป็นเหมือนของศักิ์สิทธิ์ที่เหมือนวัตถุสิ่งของที่มันไม่ไม่เปือ่อยไม่เน่าอ่ะเป็นยิ่งกว่าคือคนเพราะว่าเก็บสรีระท่าน้อยทํา มันเป็นชื่อมันคือพลังมันมีพลังไงพลังอ๋อคือคล้ายๆวัตถุเนี่ยสลายไปแล้วแต่พลังของท่านยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะแสงสว่างต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปมาตราบก็ไหวก็จะได้ละก็เป็นเชื้อเป็นสิ่งที่ดีกำหรับพวกเราต่อไปค่ะแล้วแล้วท่านให้โอบาทอะไรกับเราบ้างคะพี่มันบอกว่า ก็ในในบรรดาสิ่งต่างๆที่ที่ที่ตลอดเวลาที่วกเราอยู่มาก็ความสักสินมันมันจะมีอยู่ตลอดไปหรือไม่ว่าเราจะคิดสิ่งไงก็จะสมบัติฝังนะคะโอ้ค่ะพวกเราก็รู้สึกมีใจที่ได้ประกาบท่านนะด <c oughs> ีใแล้วเราจะทำยังไงให้ให้จิตเดิมแพ้เราเนี่ยบริสุทธิ์ได้ยังไง จิตเดิมแท้ของเราจะบริสุทธหน้าก็เราต้องคือกลอดเวลาที่เราเดินทางในกางไปเนี่ยคือดีที่ว่าเรามีพุทองค์เป็นเป็นเป็นสสุดยอดของผู้นําทางะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราอยู่ในเช่นนี้เราก็จะได้พบแสว่างแล้วจิตเดิมแท่ของเราจะบริสุทธิ์เรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยอ่านได้ค่ะ แล้วก็เอญาติพี่น้องอะไรเนี่ยเขาจะเลื่อนพบภูมขึ้นไหมฮะหรือว่าที่เขาได้มาเนี่ยเขาจะเลื่อนพบภูมหรือว่าได้รับคืออันที่สอ อ, อะไรเพิ่มไหมคะคือได้รับแน่นอนเลยอย่างประมาณเนี่ยคือคือทุคอกคนมาด้วยจิตที่ที่แกเปลี่ยมไปได้วยความความใสสว่างแล้วก็มีความต่างหาเนี่ยอันที่อยากจะมาาคือถ้าเราเป็นตื่นให้ทําใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้ท่านได้ามา ถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีดกไม่ไม่มีญาติน้องเปนแบบนี้ทั้งก็คงจะไม่มีโอกาสอะไรอย่างเนี้ยอใครใครมีปัญหาอะไรจะถามบางใบคาส่งมาเร็วๆบังาเราเอพวกเอามาอะยเงี้ยมามาหมดเลยใช่มคะค่ะค่ะไปดูส่งกาน อูทวีถามอะไรไหมคะคุณดูวีถามอะไรมาเร็วๆอูทวีคะอูทวีคะถามอะไรป้าไหมคะอะไรๆไม่รู้หมดเลยอคุณทวีถามอะไรขอเชิญเล่าเสียงสวรรค์แล้วเปิดโอกาสมาเร็วๆมาเร็วอะไรนะวันนี้แจกมามัตรบัตรคู่ละเจีเจ็เก่ง อาแม่พูดมามาจากพูดต่อนีให้อ๋อลุงอาจารย์สอนให้อว่าอย่งไรบ้างอะครับป้า อ, อ, อาจารยมม์มวทท่าอะไรกอว่าบอกได้ทีกคนทีน่จะอยู่ย น, ต, นตลอดเวลาที่ยังยยแต่ไม่มีฐานะก็ม้วามนยันทางานี่ ย, ย, ย, ย, ยที่ดีที่งาบพวกเราตลอดไป น่าก็จะได้เข้าถึงกิจเดิมแท้แล้วในที่สุดก็จะหลุดพนไปจากก็จะสงสารนี้ได้อ่ะคไู้าอะไรดีลูกาจราัออไรไหมีไม่เกปุ๋ยไก็ต้อง ใครจะถามใครจะถามอะไรไหมคุณยายถามอะไรเพือความคุณยายมาเลยยังมาเลยคืออยากจะให้ญาติญาติพี่น้องของเราเนี่ยได้ได้รับสุวนผลบุญอะไรเนี่ยฮะเขาจะได้เลื่อนภพภูมิหรือว่าได้ได้รับอานิสงส์จากที่เราได้ได้มากราบไหว้ท่านเนี่ย เปลไปได้ไหมอะไเงี่ยคคือคืองานเป็นน้องของมันถือ่าแบบเขดีใจเบอกเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนทุกครูมาไหนเนาะเพียงแต่ว่าจิตใจเขาให้มีความยสบายอยู่เส้อตลอดเวลาพอเนี่ครับเพราะว่าเขยังมีานอยูาฮาฮ่าไม่อยากไอยากยยใกล้คุณเก่ยางใกล้คุณคุณฟงวอยู่ลยังฟังก็ยังสวยที่สาวขึ้นเลย พี่กบบอกว่าพี่กบมันที่บบคุณยายเนี่ยมาดูแลคุณยายพี่แล้วยังยังไม่เรีว่ากบเหรอออก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นเนาะแสดงพื้นดวงก็ดีเข้าใจรง่ายขึ้นนะขมัน่ห่วง้หมัน่ห่วงลูกเนี่ย่าฮ่ห่วงจะหอชันหมอชานไหนห่วงมีมีมีน้องกบอยู่เป็นเพื่อนอยู่ตลอดพี่กบไม่ได้ไปไหน กอแต่นี้จะต้องขอบพระคุณที่ขอบคุณ่นอาจารอรขอบคุณท่านด้วยหลานอบคุะเทพเจ้าทั้งหมดนะคะที่ทำให้เราได้ได้าพดถึงทุเรื่องทุเรื่องมีนะไปไปตหก็แม้วกแกที่ีที่งาแล้วก็ไม่มีสถานที่ที่จะเราอย่างสบายดีอ ค่ะ uh huh. นะคะต่อไปพวกเราก็จะมแต่เฮงเองโดยด่วอย่างจังใจเพาะว่าเฮงทีครอบคุมในความโชคดีทั้งหมดนะคะงั้นเรก็ฝากฝากป้าบอกพี่กบที่นะคะฝากฝากี่กบถึงอไก็แด้ฝากป้าค่ะที่กบหนอบอกว่าคิดถึพี่กบมา้านะคะแลวพี่กบจอยู่ในใจตลอดไปนะคะครับนะอคจ้า We t a in s o l i d a u t o e อัลลอฮฺมะล a ติกะอาตานะพะโมกะีาเราีวดานีาสานวานะเตมสานวานาะเตอนลป อาภัสรนวะองค์เจ้านาฬิกาเรื่อาสาบิารเะมุมาลีอันย่เวมมาลีอันเยเวาาัมมะเจ้านาตานาั Na ya om je na na di na le. Na ya na na ya na na na na na na na na na na na na om. Na na na na na na om na na na na na na na na om na na na na na na na om om je na. Nara nara nara nara om. s a r a n a a nara nara nara nara nara n a a om. Nara nara nara nara om. Nara n a a nara nara nara nara nara nara om. Om jayatpur deva. Nara nara nara nara om. Nara n a แล้ว โลกนี้มันเป็นความจริงตามต้องพึ่งจริงแล้วจึงสมายใครอยู่ล่ำเังอย่าหวังใจดำดำใจาย ว, วันนี้ที่ไม่ควรได้ตากมีโชคาีแล้วยังได้พึ่งกันทุกคนเกิดแล้วยังมีวันตายต้องววปวดปวดใจหมายดีเท่านั้นแม้สะ อย่าตามสน้องตัวพัวพันาทำดีคนคุณทีหวีหันผู้ยากทางเจอันทุกวันการรุนมทุกคนเจอแล้วยังมีวันตายต้องปว วันไหวหมายดีเหล่านั้นแม้สาะคำชั่วคำยาตามสน้องตัวผัวปันหากทำดีทนบุญดีสวีมันโู้เกียดนินำเชิดใจ ทุกวันจะรื่นรมทุกคนมีแต่ความรื่นรมเมื่อแสงแห่งธรรมกของพระพุทธองค์เล่าสาธุตนอต่อท่ไคุณตุ้มวีอะไรต่อคะเชิญค่ะเชิญเจินต้องวิวมารองเพก็เพ็งนะ มามามามาลองเตะกนเตะตาวันตกทอดๆนะเตะที่เล่นชิมมานานแล้วใส่ไใช่ไหมคะซื้อคนเขาก็เื้ออีกทนะซ้ออกทคือคนเขาก็ยังขยายอยู่บางคนก็ยังสงสัยว่าร่างของท่านเนี่ยคือปฏบัติประวัติ เป็นใหญ่ใหญ่ค่ะดักที่ับกที่ว่าเล่าไปคือไม่น่าไม่สวยนี่คือกลายเป็นกลนินไปเลยกลายเป็นหินไปเลยใช่ไหมคะ <S <S แล้วร่างร่างที่เราไปไหว้วันนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมที่เราไปยืนไปที่ที่ไปทำบุญอะใช่ไหมคะอ๋อกลายเป็นหินไปเลยใช่ไหมคะพี่อ๋อเป็นเป็นร่างแท้ๆท่านเลยท่านเ่แท้เลยอ๋อค่ะอ๋อที่เราไปยืนไหว้นะคะอ๋อ คือเป็นกลเป็นหินไปเลยอ๋อกลายเป็นหินไปน ะ, ะกายเป็นหินแล้วคนก็ปิดทองไว้ให้คนใช่ ะ, ะที่เราไปยืนป้ายแล้วเราใส่สกระถางูนอะนะคะใช่ค่ะแ้วแกะอแล้วแนละ้วาาก็ปาร์คัติวอนมั น, ม, นมันเสื่อมสลายไปหมดแล้วใช่ไหมคะอ๋อปาร์คัติวอนเนี่ยไม่อยู่แล้วเพราะมันพันพันกว่าปีแล้วใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่าร่างท่าน่เป็นหินไปเลยอ๋ออันนี้ไม่ใช่ร่างท่านเลยค่ะท่านเป็นตัวร่างเล็กๆกันแล้วคะ อ๋อขาสายนี้เราก็หเอ๋อเป็นหินอ๋องี้เราก็มาไหว้ถกที่ แ, beach, แ, แหละนะคะอ๋อค <I am. S 1> ่ะโอ้าขค่ะค่ะคุณทมีใช่ร่างนั้นนะคะแต่เป็นกายเป็นหินไปไม่ใช่ไม่เน่าไม่เปือยกายเป็นหินไปเพราะท่านเป็นภมได้เป็นเลยเป็นอริยะนะเป็นเทพเจ้าทัานสูงอ่ะนะคือท่านเป็นเทพเจ้าทัานสูงก็คือท่านร่างของท่านอะ คือก็ไม่ไม่ไม่เน่าไม่เปวยแล้วจะกลายเป็นหินไปเลยแล้วที่ที่เราเราไปไหว้ควรเนี้ยองนั่นน่ะใช่ที่ที่่เป็ดทองที่เราอ่ะตามประวัติก็เป็นอ่านีตามประวัติไม่ไม่ตามประวัติคือไม่เน่าไม่เปืยเราก็งงนคุณยายก็งงก็ไม่เน่าไม่เปวยแบบไหนอะไรย่างยค่ะคือหลงหลงพ่อที่ไทยก็มีองค์เนี่ยกลายเป็นหินเลยมันอยู่ที่การอธิษฐานด้วยอธิษฐานเยอะๆอธิษฐานจานมากเลยนะ คุณเจที่ไรักานนะพี่นะโอเคนีก็อ้โี่ต้องหายสงสัล้อขอบพระคุณนะกาขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไวบารมีท่านอกฝากรักษาคุณขอกเรทุกคนนะแล้วก็ปวด้วยละจ้าสาธุสาธุสาธุเราไปต่อเราไปเป็นเป็นหนทะเลมาทะเลพี่รูช่วยูช่วยเที่ยวมาทะเล คุณรูดีทาไมทาไมบัญดาลเป็นภูมสวรรค์หมดเลแถวนี้ไม่ได้อยู่แล้วก็มีเทพอย่างอื่นองค์อื่นไม่เทพองค์อื่นมีก็มีก็มีเยอะอัคราดาก็มามาต้อนรับู่ดามาตอนรับแล้วก็พวกญาติพี่น้องเรา มาหมดเลยพ่อแม่ไม้พ่อแม่พ่อแม่ใครมั่งเราไม่รู้จักมาหมดเลยเลยนะขอบใจที่ได้ได้ได้พาให้ได้มาพบสิ่งที่ดีที่งามขอบใจทุกสามทุกคนที่ที่ที่ให้ได้มาพบสิ่งที่ดีที่งามได้มาบบรรยากาศของเทวดาอย่างขนาดนี้คือท่านมวยหลังมาบ้างค่ะก็รับออกมาแล้วก็ออกมารับเลยออกมาอินมาคุยอย เอาก็อีนมาคนนมนี่นนั่งนั่งอย่นี้ดีกว่ามีประโยชน์กว่าคุยกันดีกว่ามีข้ออย่างมาณอนยะป้าคะาแม่มาปูมาใครๆตงีนะต้องใครม่คโอยากรู้อะไรมาเข้ามาบอกว่าคน้องมาบาพ่อแม่อะไรหมาว่าแม่ชลาอะไรมาหมดมแล้วก็พ่อแม่พี่น้องมาหมดเลยแล้วก็เข้ใครมาเยหมด แล้วก็ขอบใจลูกหมาที่ได้ให้มาพบกับบรรยากาศอย่างนี้ดีใจขอให้ทุกคนเจริญเจริญสิ่งที่มีที่งามเข้ามาในชีวิตทุกคนทุกคนสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอยากไข่สาธุสาธุแล้วอาจารย์อาจารย์องงไปตลอดอาจารย์สอนอาจารย์สอนมาแล้วกบมา ก็น uh> uh> uh uh um, ี่ไงจังอือเนี uh ่ยอเนี <h <h ่ยลูกนี่พึ่งเสียไปลูกก็สาวสวยใ่จะได้ไปรอครอบครัวกโอ้ดีใจดีใจจังอืเนี่ยได้ได้ไปอยู่กลุมดี เดียวพระากระดดี๋ยวถ้านไม่ไ่เราไม่้จัะย้อนเยมากยคนไหนบอกมาเยอะแต่มาเยอะมากเลยแล้วคนไหนเตียงย้อรุณาแสดงตัวแล้วท่านายเยงยอนรุณาแสดงตัว้วยคุณคุณดีเป็นพ่อแม่ผมอาจารย์รู้จักอยู่เลอ่ไม่จะได้เดี่ยวม็อืมแล้วเราไป มันบรรยาตาดีมากเลยได้อย่างตรงนี้คืรู้ว่าจะเป็นสวดมนตรต้องมีอะไรที่หลังตวงรงตรงนี้ตรงนี้ดีจเนี่อาจากขึ้นมาเนี่ยพี่เก่งแล้ว อ่าทเป็นที่นะสวดีี่แล้วทงีกันเรามานะคจะมีสุขภาพแข็งแรง้าที่ีมไม่ามันตลอดา้ทาทเดินปข้างหน้าที่ขดีีอเนี่ยพถึงที่ดีที่งามอืงอ้าบ้าบแล้ว ก็เรามใจว่าคงมาต้ในมู่เขาอะไรเยอะลูกของแม่ใบชัยอะไรมากันหมดนะลงมาลงมาเหรอลงมาเหรอโอ้ชาเออจัดก็เป็นห่วงว่าแล้วพี่แล้วอาม่ามองเขามาไหมสองมามาเรียกเลยมาร้อมาเลี้วมาเที่ยวเลี้ยวไปพามาเที่ยวอะไรเนี่ยคุณกันน้อยหน่อยมคุหล่อยสิ โอ้โหนี่อะไรโอแล้วเป็นไงพี่สาวถูกกระเพาะกระเพาะฮ่าฮ่าฮ่าดูน้าโละโ้ดูไม่ออกเลยนะแมเนี่ยนี่นี่นีน่ี่นีนี่นี่เนี่นีนีีนี่นีนี่นี่นี่นีเน้านี่ม่นี่นี่นี่นี่นนนี่ เน่ยตานบุ so ite, so ่มันันี้มันสว่างสว่างรงนี้อ่ะนี่อะรีสื่อก็ได้สัมผัสเออนี่เราตตรงนี้มันยังแบบมันก็ยังไม่เจริญมากอ่ะยังไม่ใช่ใช่คนยังไม่มาอืมคือธรรมชาติมันยังไม่ถูกทำลายมากแล้วเรามันติดอะไรนี้คิดถึงครป่ะ เปล่าป yeah. ่ค mm ิด hmm. ี่ kind of ้อเน่ยมามาล้อแล้เด okay. ี can, hmm. ๋ยวเอามาล้อมาคุณค like ุณพากไปหลังอยู่อยู่เมืองนี้เอะไม่้องหปพีอ่ตง